บาศิกาแต่มายุคเรารุ่นเรานี่พิสุนีไม่ปรากฏเพราะได้เสื่อมสู์ไปแล้วแต่จะด้วยประการใดก็ต า, ามศาสนาพุทธและคุณธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้สำหรับพวกนักบวชเพียง่ายเดียว จะเป็นใครก็ตามถ้ามายึดมั่นในการให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาสามารถที่จะทำจิตของตนให้บรรลุอริยมรรคอริยผลได้ไม่เลือกชาตุท่านวันนะหรือเพศ <c oughs> โยมผู้หญิงทั้งหลายมักจะแสดงความน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่ได้ปวดเป็นละเหมือนอย่างผู้ชายเขา เราจะไกลต่อทางมรรคนิพพานอย่าไปเข้าใจผิดเช่ น, นั้น <c oughs> ในสมัยปัจจุบันนี้การศึกษาวิทยาการทางโลกผู้ชายก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีโทเอกได้ผู้หญิงก็มีความสามารถเรียนจบปริญญาตรีโทเอกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่จะด้อยกว่ากัน ถ้าจะร่อยขอเตียงแค่กำลังกายส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่ถ้ามาต่อยกับผู้ชายแล้วมักจะสู้ผู้ชายไม่ได้เพราะผู้ชายแข็งแรง ก, กว่านี่ส่วนที่เราด้อยกว่ากันที่ี่ส่วนทางด้านจิตใจและความสามารถต่างๆนั้น <c oughs> การแบบขามผู้หญิงอาจจะร้อยกว่าผู้ชายแต่ห้อยเทศสิปัญญา ในการวางแผนงานการหรือการทํางานนี้ผู้หญิงบางท่านอาจจะมีความสามารถเหนือกว่าผู้ชายก็ได้เพราะฉะนั้นในทํานองเดียวกันการปฏิบัติธรรมแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้บวชเป็นพระเป็นเณรก็ตามแต่ทางอริยมรรคอริยผลไม่ได้ปิดกั้นสําหรับเราเพราะฉะนั้น ความคิดทั้งหลายเหล่านี้เลิกกันเสถะนึกว่าเราผู้ชายก็สามารถเราก็สามารถเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบำเป็นฐานบำเป็นศีลบำเป็นสมาธิภาวนาพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญขึ้นโดยคุณนธรรม การให้ทานด้วยอามิตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอามิตรถานเป็นอามิตรสบุชาจะยังศาสนาของพระสถากคให้ดำรงอ ย, อยู่ได้ทั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่การบำเพ็ญอภัยทานคือการรักษาสีมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สล กำลังตายกำลังใจของเราเพื่อปูชาปฏิบัติปูชาพระพุทธเจ้าและธรรมประสงม์อันนี้เป็นยอดแห่งการให้ทานถ้าเรามามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันถูกต้องแล้วก็มาแนะนำาลั่นสอนเพื่อนบ้านให้มีความเข้าใจดีและปฏิบัติถูกต้องตามํานองครองธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานอันกระเสริ ก า, าการให้ทานการให้ทาเป็นทานชนะการให้ทำปวง <c oughs> ทำไมจึงต้องชนะคนรู้จักให้ทานด้วยอามิตรก็เพราะว่ามีผู้ให้ทำเป็นทานคือแนะนำชี้แจงให้เข้าใจคนที่รู้จักบาปคนคนพทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็เพราะผู้รู้ทำเป็นผู้แสดงให้ปัง คนรู้จับปฏิบัติฉีนสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็เพราะอาศัยผู้รู้ทมแสดงให้ปั๊บเพราะฉะนั้นการให้ทมเป็นฐานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในทางปฏิบัติอภัทยทานคือการรักษาศีลเป็นยอดแห่งการให้ทาน การสละชีวิตร่างกายของตนเองเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติก็เป็นยอดแห่งการให้ทานทีนี้ถ้ายิ่งเรามาตั้งใจรักษาศีลบริบปิตให้บริสุทธิ์สะอาดเจริญปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติของเราก็ยิ่งประเสริฐดก่อนที่สุทั้งหลาย ศาสนาของเราตถาคตจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัทจะเสริมลงก็เพราะพุทธบริษัทจ ะ, ะเจริญขึ้นก็เพราะพุทธบริษัทถ้าตราบใดที่พุทธบริษัทยังปฏิบัติปฏิบัติชอบโดยยึดหลักธรรมวินัยที่เราสถาพธได้บัญญัติไว้ดีแล้วเป็นแนวทางดําเนินการปฏิบัติ อย่าว่าแต่ 5,000 ปีเลยศาสนาของเราจะดำรงอยู่ทั่วการนานันอันนี้เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าพูดกับพระอนุนเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่และบุคคลแท้ๆไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสิ้น เราเข้าใจในหลักธรรมสอนดีแล้วเราตั้งใจปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นณโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจให้แน่วแน่ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติสมาธิเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เศตของข้าพเจ้าสงบทั้งมันเป็นสมาธิ เกิดสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็หมดอาสวะกิเลสเครื่องรองสันดานสําเร็จพระนิพพานเป็นที่สุดแล้วก็มาตั้งใจนึกโพธิธรรมโอสังโฆโพธิธรรมโอสังโฆโพธิธรรมโอสังโฆพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตของเรา พระธรรมก็อยู่ในจิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ในจิตของเรารพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราเมื่อจิตของเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็เป็นผู้รู้จิตของเราก็เป็นผู้ตื่นจิตของเราก็เป็นผู้เปิดปานเมื่อเราสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ตลอดกาล เราก็มีพระธรรมอยู่ในจิตตลอดการธรรมชาติของผู้ที่มีจิตเป็นผู้โลกผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาย่อมจะมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีและจะตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะละความทั่วประพฤติความดีทำเพืิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ ความรู้สึกที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานเป็นการทรงไว้ซึ่งคุ ณ, ณธรรมความรู้สึกที่ว่าจะละความทั่วประพฤติทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเสิอเป็นกิริยาแห่งความมีพระสงฆ์อยู่ในใจหรือในจิตของเราเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายท่ญญานจะปากันวิ่งเต้นไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไห ต้องกำหนดสติรู้ที่จิตของเราแล้วก็นึกโพธพร้อมลมเข้าโพ ร, ร้อมลมออกนึกด้วยกิริยาเบาๆอย่าบังคับจิตแต่เรานึกไม่หยุดพอสูรลมเข้านึกโพธ ลอยลมออกนึกโธนึกอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่นึกพุทพร้อมลมเข้าโพ ร, ร้อมลมออกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำสิ่งใดนอกเหนือไปจากนี้นึกอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปค่มจิตให้สงบอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบ ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งรละลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นเองเราไม่ต้องไปนึกเมื่อจิตมีพลังงานมากขึ้นมากขึ้นความแน่วแน่มันจะไปอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตของเราไปแน่วแน่อยู่กับลมหายใจคําว่าโพธอโมันจะหายไป ยังเหลือแต่จิตูลลมหายใจเข้าหายใจออกอู่เฉยๆนั่นแสดงว่าจิตของเรากำลังจะยึดอารมณ์เพียงอย่างเดียวซึ่งเรียกว่าเอกคตาลมตอนแรกมันยึดอยู่กั บ, พบโพธบังลมหายใจบ้าง ทีนี้เมื่อจิตมันสงบลงไปมีพลังพร้อมลงไปมันทิ้งโผโผแต่ไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าจิตของท่านผู้ใดไปยึดที่ลมหายใจแสดงว่าจิตของท่านผู้นั้นกำลังจะเดินตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านไม่มีคำที่จะไป น, นึกเหมือนเราทุกวันนี้ทุกวันนี้เรายังมีโพธิสัมมาระหังยบหนอฟองหนอเป็นเครื่องนึกอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำพูดสามคำนี้ก็ยังไม่มี ดังนั้นพอท่านเริ่มต้นปฏิบัติท่านจึงไม่มีคําใดที่จะเอามานึกนึกบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาที่ท่านไปเรียนในสำนักอื่นมาก่อนนั้นมันก็เป็นเรื่องศาสนาปาหมที่นี่พระองค์จะสร้างศาสนาพุทขึ้นมามองหาอะไรเป็นเครื่องนึกไม่มี ก็มานึกถึงแต่ธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของร่างกายจะต้องมีการหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นในเมื่อจนตรอบจริงๆพระองค์ถึงนึกว่าเอาลมหายใจจริงกว่าแล้วก็ทรงกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก พระองค์เพียงแต่มีสติรู้ลมหายใจอยู่เฉยๆเท่านั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ได้นึกลมหายใจยาวก็ไม่ได้นึกลมหายใจหยาบละเอียดไม่ได้นึกทั้งนั้นมีแต่กำหนดสติรู้ลมหายใจเฉยอยู่ปอดเป็นผู้มีหน้าที่สูดลมเข้าปล่อยลมออก เจิดเป็นผู้มีหน้าที่รู้ว่ามีลมเข้าลมออกเมื่อเป็นเช่นนั้นเพียงแค่กําหนดรู้อยู่เฉยๆจิตเขาย่อมรู้ว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเพราะเขามีหน้าที่รู้นี่นอกจากจิตแล้วไม่มีใครรู้มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้ เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอยากไปกังวลสิ่งอื่นให้กาหนดสตริรู้ลมหายใจเท่านั้นทีนี้ในขณะที่จิตกาหนดรู้ลมหายใจอยู่จิตเขาจะมีการวิ่งออกวิ่งเข้าตามลมหายใจบางครั้งรู้สึกว่าลมหายใจหยาบหายใจแรง ปลอยไปตามธรรมชาติอย่าไปปืนในบางครั้งลมหายใจแผ่วแผ่วแผ่วลงน้อยลงน้อยลงเหมือนกับจะหยุดลมหายใจก็ อ, อย่าไปตกใจกาหนดสติรู้อยู่เฉยๆบางทีรู้สึกว่าไม่หายใจจีดไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆ แต่ยังรู้สึกว่าร่างกายปรากฏในความรู้สึกเพียงเบาเบาเมื่อจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานกายยังอยู่ย่อมมีปีติมีความสุขมีความดูดตื่มนั่นแสดงว่าจิตได้ดื่มรสพระสัจธรรม ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าตนมีความสุขเหลือรน้นไม่มีสุขใด จ, จะมาเปรียบเทียบได้เหตุการณ์อย่างนี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่กายยังมีอยู่เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปไม่ได้สนใจกับกายแต่รู้สึกว่ากายมีอยู่ ในช่วงนี้ถ้าจิตส่งกระแสะออกนอกจะเกิดภาพมิมิตเช่นจิตอาจจะมองเห็นคนเห็นสัตว์เห็นผีสางเทวดาเห็นพระพุทธรูปเห็นพระสงฆ์ในช่วงนี้ผู้ปฏิบัติอย่าตื่นใจอย่าตกใจอย่าเอกใจให้กำหนดรู้อยู่ เฉยๆถ้าหากเราสามารถประครับประคองติดให้อยู่ในสภาพปกติภาพนิมิตนั้นจะหยุดนิ่งให้เราู้รู้อยู่ได้เป็นนานๆบางทีเออเกิดอุคขาหานิมิตนิมิตติดตาเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันก็เมือนเบิอลกับว่า อาหะนิมิตนั้นยังจุูหลักตาก็มองเห็นอยู่ลืมตาก็มองเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าอกาหะนิมิตนิมิตติดตานิมิตเป็นอกาหะนิมิตสมาธิเป็นสมาถะกรรมฐานเพราะจิดจุดนิ่ง รู้จูดที่นิมิตเพียงอย่างเดียวในขั้นต่อไปถ้าจิตของท่านจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิปัจฉณากรรมฐานนิมิตรจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงบางทีย่อตัวเล็กลงบางทีขยายตัวเล็กใหญ่ขึ้น หรือบางทีไม่มีนิมิตอย่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวของตัวเองเล็กลกลบหรือบางทีก็ใหญ่ขึ้นแล้วบางครั้งก็มีการสลายตัวหายสาบสูญไปแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่สลับซับตอนกันอยู่อย่างนั้นบางทีนิมิตนั้นล้มตายลงไป แสดงการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปในขนาดนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนิมิตรเป็นปฏิภาครในมิตรสมาธิเป็นสมถะถ้าเป็นวิปัสสนาเพราะจิตไปกำหนดหมายรูปความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์สิ่งรู้สิ่งเห็นแสดงว่าจิตก้าวหน้าต่อไป อเนนทางปฏิบัติต่อนิมิตเท่าที่ครูอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนมาท่านให้ปฏิบัติจากนี้อนนี้ทางหนึ่งที่จิตของผู้ปฏิบัติจะพึงเป็นไปถ้าจิตออกนอกเกิดมโนภาพพึงเรียกว่านิมิตหากนิมิตหยุดนิ่งไม่ไหวจริงจนติดตา เรียกว่าอกาหะนิมิตสมาธิเป็นสมาถามกรรมฐานแต่ถ้านิมิตมีอันเปลี่ยนแปลงสลายตัวตั้งขึ้นมาใหม่ย่อตัวเล็กลงขยายตัวใหญ่ขึ้นเป็นปฏิภาคานิมิตสมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานนิมิตเป็นปฏิภาคานิมิตนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้ ทีนี้ทางที่หนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะตามลมหายใจวิ่งเข้ามาในกายแล้วก็มาตั้งมัน่นนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่ในท่ากลางของร่างกายสามารถแผ่รัศมีความสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกาย ทำให้จิตมองเห็นอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตาปอดทั้งปืกใส้น้อยใส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำน้องหรือโครงกระดูกอะไรต่างๆภายในกายทั่วหมดอันนี้เรียกว่าจิตโูอาการสามสิบสอง เมื่อจิตไปสงบนิ่งรู้อยู่ภายในกายมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณนะจิตเดียวนิมิตเป็นของแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาธิเป็นส ม, มถะกรรมฐานนิมิตก็เป็นอุปหะนิมิต ที่นี่เมื่อจิตสงบได้เอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายหายไปยังเหลือแต่จิตสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในท่ากลางแห่งความว่างถ้าหากว่าจิตตัวนี้เป็นไปได้เพียงแค่นี้แล้วก็ถอนจากสมาธิ สมาธิอันนี้ก็เป็นเพียงสมถกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าอาศัยความที่จิตได้ผ่านการตรวจพ้นอาการสามสิบสองคือรู้เห็นอาการสามสิบสองพั่วหมดในขณะจิตเดียวแล้วผ่านไปถ้าหากว่าจิตจะกล้าก้าวขึ้นสู่ภูมิปัจนากรรมฐาน เมื่อจิตไปลอยเด่นสว่างสวยดูมองลงมาจะเห็นร่างกายนอนตายเกียดเจ้าอยู่ร่างกายก็เริ่มขึ้นเอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังคลังไปเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็แตกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินความรู้เห็นอันนี้ถ้าหากว่าจิตถอนออกมา ไม่ได้พิจารณาทบสูวนลอยทิ้งไปเลยก็เป็นเพียงแค่สมถกรรมฐานแต่ถ้าแกวิเิตถอนจากสมาธิมาแล้วพอสัมพันธ์ว่ามีร่างกายเท่านั้นได้ความรู้สึกอยู่ในสมาธิอ่อนๆขั้นอุปจาระสมาธิร่างกายตัวตนยังปรากฏ เจตรวงนี้จะพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งโดยบางทีเขาอาจจะตั้งปัญหาฐานตัวเองขึ้นมาว่านี่หรือคือการตายคำตอบก็จะปูดขึ้นมารับก็ใช่แล้วในเมื่อตายแล้วร่างกายก็ขึ้นอืน้นําเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปยังเหลือแต่โครงกระดูก โครงกระดูกก็หลุดออกจากกันเป็นท่อนๆแล้วหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินเพราะเดิมทีเดียวร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อมันสลายตัวไปแล้วมันก็กลับคืนไปอยู่กับเพื่อนเดิมของมันส่วนที่มีลักษณะแข่นและแข็งเช่นเนื้อหนังเป็นต้นกระดูกเป็นต้น ในเมื่อแหลกและเหยียดลงไปแล้วก็ไปอยู่กับพวกดินเพราะว่าเป็นธาตุดินส่วนน้ําเลือดน้ําหนองน้ําลายอะไรที่มีอยู่ในกายนี้เมื่อสลายไปแล้วก็ไปอยู่กับน้ําความร้อนความอบอุ่นที่มีอยู่ในกายก็กลับไปหาดวงอาทิตย์ลมหายใจเข้าหายใจออกก็สลายไปกับลม เพราะร่างกายของเรานี้มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไหลเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนความโราเห็นว่าร่างกายตายได้มรณานุสติกรรมฐานความโรเห็นว่าร่างกายผูกเปื่อยผูกพังเล่าเปื่อยได้อสุภากรรมฐาน ความรู้เห็นโครงกระดูกได้อติกรรมฐานความรู้เห็นว่าร่างกายสลายตัวไปเป็นธาตุสีน้ำลมไปได้ธาตุกรรมฐานความรู้เห็นว่าไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นวิปัสสนาญาณโลภอนิส ต, ตานี่การภาวนาทำใจสงบเพียงครั้งเดียว ได้กรรมฐานหลายอย่างหนึ่งมรณาะรสติกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอัติกรรมฐานาธาตุกรรมฐานแล้วรู้อนัตตาคือความไม่มีร่างกายตัวตนสัตว์บุกคลเราเขาในร่างกายนี้แล้วเราจะได้ความรู้ต่อไปว่าร่างกายของเราสักจะว่าเป็นธาตุสี่น้ำล ม, มไฟไประชุมกันอยู่เท่านั้น เมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณมาสิงสถิตอยู่อาศัยกิเลสตัณหาประธานยึดมั่นถือมั่นก็มาบัญญัติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาแต่แท้จริงแล้ว <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วในปัญหาเพียงแค่นี้เราก็รู้พระไตรลักษณ์ขอบโคต์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เป็นอนิจจงความสลายตัวของร่างกายเป็นทุกขงังความไม่มีอัตตาตัวตนเป็นอนัตตาก็รู้อนิจจ์ทุกขังอนัตต์ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นสาตุชนทั้งหลายสมถะวิปัตสัมมาถะเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาถ้าสมาถะไม่มียานก็ไม่มี ฐานก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสมถะกรมรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดจานและปัญญาอันนี้ทางเป็นไปของจิตในสองถามอีทางหนึ่งจิตมากำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียว หรือบางทีจิตสงบลงเล็กหน่อยความคิดความรู้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมายังกระน้ำพุแต่จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะตามรู้ไปตลอดความคิดในจิตมันปรุงแต่งขึ้นมานั้นจะเป็นอะไรก็ได้เรื่องโลคเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลซึ่งสุดแท้แต่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมา เราไม่ไปป่าฝืนเราไม่ไปขัดคืนเราไม่ไปห้ามความคิดตล่อยให้มันคิดไปตามธรรมชาติถ้าเราตั้งใจล่โย่ก็ตั้งใจกำหนดสติตามรู้รู้ ร, รููไปแต่ถ้าหากว่าสมาธิสติมีความเข้มแข็งความตั้งใจของเรามันจะหายไปจิตจะดำเนินไปตามคันรองของสมาธิตามหลักธรรมชาติ เร่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตของเราเป็นไปเองโดยอัตโนมัติพอไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตจดแบ่งออกเป็นสามมิติมิติเดิมเคล็ดอยู่ไม่จยุดเรียกว่าจิตเหนือสํานึกมิติเดิมกาหนดจดต้องรู้อยู่ไม่ลดละ อันนี้สติตัวผู้รู้อีกอันหนึ่งหยุดนิ่งอยู่ในทํากลางของร่างกายอันนี้เป็นตัวจิตใต้สำนึกตัวคอยเจ็บผลงานจิตดำเนินไปตามคันรองของมันธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึก เขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีทุกทีสมาธิก็เข้มแข็งสติก็เข้มขน้นในเมื่อมีพลังพร้อมจิตจะไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็จุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานอารมณ์อันเป็นความคิด ท, ที่จิตปรุงแต่งมันจะไปวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลา แต่จิตตั้งนิ่งเด่นสว่างสวัยอารมณ์ผ่านเข้าไปถึงกระแสแห่งความสว่างของจิตมันจะตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟแต่จิตหาได้หวัดไหวไหมจิตดวงที่ตั้งมั่นนิ่งเด่นไม่ไหวติเรียกว่าถีติ